พระวินัยปิฎกมหาวัคภาคสองขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 5. าจั ม, มะขันธกะ 147. โสนโกริวิสะวัตถุว่าด้วยบุตรเศรษฐีชื่อโสนโกริวิสะ เรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โสนะโกริวิสัตเข้าเฝ้าส4 2สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชกูรเขตกรุงราชครืครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐครองราชสมบัติเป็นใหญ่ ปกครองหมู่บ้านแปดมื่นหมู่บ้านครั้งนั้นในกรุงจำปามีบุตรเศรษฐีชื่อโสนโกริวิสสะเป็นคนมีลักษณะละเอียดอ่อนมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐรับสั่งให้กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนประชุมกัน ทรงส่งราชทูตไปพบนายโสนะโกริวิสะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างด้วยรับสั่งว่าเราต้องการให้เจ้าโสนะมาหาครั้งนั้นมารดาบิดาของนายโสนะโกริวิสัได้กล่าวกับนายโสนะโกริวิสะดังนี้ว่าพ่อโสนะพระราชา มีประสงค์จะทอดพระเนตรเท้าทั้งสองของเจ้าพ่อโสนะเจ้าไม่พึงเหยียดเท้าไปทางที่พระราชาประทับจงนั่งขัดสมาธิรงพระพักของพระราชาพระองค์จะทอดพระเนตรเท้าทั้งสองเมื่อเจ้านั่งลงแล้วต่อมาบริวารชนใช้วอ นำนายโสนโกริวิสสะไปลำดับนั้นโสนโกริวิสสะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐณที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งขัดสมาธิตรงพระพักของพระราชาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐได้ทอดพระเนตรเห็นขนที่ฝ่าเท้าทั้งสองของเขาแล้ว ทรงสั่งสอนกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนเกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบันทรงส่งกลับไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเราสั่งสอนพวกท่านเกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพวกท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์นั้น จะทรงสั่งสอนพวกท่านเกี่ยวกับประโยชน์ในภายภาคหน้า